โกหกสีขาวเป็นบุญที่มีมนถินโกหกสีขาวด้วยเจตนาให้สบายใจไม่บาปเพราะไม่มีเจตนาเบียดเบียนใครแต่วิธีช่วยให้เขาสบายใจถ้าไม่สะอาดบุญนั้นก็มีมนถินการเปลี่ยนความจริงให้เป็นอื่นอย่างไรก็ต้องมีเจตนาบิดเบือนความเข้าใจของผู้ฟัง ให้เห็นเป็นอื่นจากความจริงเป็นเหตุให้จิตของเราต้องงัดข้อกับความจริงผิดไปจากสภาพปกติเป็นบุญที่เจออยู่ด้วยมุสาวาทธรรมรู้สึกได้ด้วยใจตัวเองว่าไม่ผุดผ่องเต็มรอบแม้ปิติที่ได้ช่วยหรือช่วยได้ก็เป็นปิติที่พร่องเพราะเจือความกังวลว่าภายหน้าเขาจะรู้ความจริงไหมรู้แล้วจะยิ่งรู้สึกแย่หนักเหมือนเด็กถูกหลอกหรือเปล่า อย่างเช่นกรณีของผู้ป่วยหนะักหลายกรณีผู้ป่วยยอมรับสภาพไม่ได้ก็น่าจะชวนคุยเรื่องน่าสบายใจอื่นๆที่หลีกจากความเจ็บป่วยถ้าปลอบใจว่าเดี๋ยวก็หายแต่เขารู้สึกอยู่ชัดๆว่าเดี๋ยวก็ตายบางทีก็เป็นการให้ความหวังแบบสดชื่นเดี๋ยวเดียวแต่ห่อเหี่ยวนานๆได้เหมือนกันมีแง่ให้ต้องพิจารณาหลายชั้น ความกลัวหรือการไม่กล้าพูดความจริงมักทำให้สมองไม่ทำงานเราก็มีความมือทึบมาล็อกมาเกาะ ก, กุมหัวไว้สักแต่อยากผ่านานพ้นไปด้วยคำอะไรก็ได้ที่คิดว่าคนฟังอยากฟังและเมื่อติดนิสัยพูดพอให้ผ่านา น, านหัวคิดก็จะติดล็อกยาที่จะคิดอะไรฉลาดๆเพื่อให้ความจริงปรากฏแบบไม่ต้องบิดเบือน ความจริงชนิดที่ต้องอาศัยความกล้าพูดนั้นควรใจเย็นเป็นเป็นแบบฝึกหัดแล้วหวังผลล่วงหน้าว่าถ้าผ่านด่านหินได้ลหลายๆครั้งก็จะเป็นผู้หนักแน่นได้ทำบา ร, รมีในการพูดแบบผู้ใหญ่และรู้จักคิดสร้างเรื่องดีโดยไม่มีมนทินติดตัวเช่นที่ท้ารู้ว่าคนป่วยไม่ชอบคำว่าตายเกลียดกลัวคาว่ามะเร็ง เราก็ตัดคำเทือกนั้นทิ้งแล้วก็ดูใจตัวเองดูในหัวของตัวเองว่ามันผุดคำมักง่ายแบบไหนขึ้นมาบ้างเป็นต้นว่าหมอบอกเดี๋ยวก็ดีขึ้นหรือไม่เป็นไรนะ่ะไม่นานก็หายคำหลวงพั น, นี้ก็คัดออกเหมือนกันไม่เอาแม้แต่จะหลอกล่อด้วยการพูดเรื่องการทำบุญพูดเรื่องการไปสวรรค์ ก็ไม่ต้องเพราะตอนคนป่วยกาลังจดจ่อรอฟังอาการเขาจะอ่อนไหวแล้วรู้ทันไปหมดอยู่แล้วไม่อยากฟังการชักแม่น้ำทั้งห้าอยู่แล้วทางที่ดีคือเริ่มด้วยคำสำเร็จรูปที่ตรงไปตรงมาเช่นผลตรวจออกมาแล้วนะนอกจากเตรียมคำให้เตรียมใจไว้เย็ น, เ, ยนเตรียมน้าเสียงไว้ดีเตรียมสีหน้าสีตาไว้เรีย บ, ยบด้วย ทำให้ฟังเป็นเรื่องธรรมดาศบตากันได้ปกติแล้วหลังจากพูดความจริงเสร็จจะใส่ความเห็นอย่างไรก็ใส่ไปเช่นโอกาสหายมีกี่เปอร์เซ็นต์หรือที่นี่บอกว่าไม่หายที่อื่นบอกว่ามีสิทธิ์ไหมความเห็นจะเห็นอย่างไรก็ได้ไม่มีคําว่าโกหกคุณจะพบว่าการฉลาดพูดความจริง ไม่ใช่เรื่องของการเลือกใช้คำอย่างเดียวแต่เป็นการเลือกใจเลือกน้ำเสียงเลือกสีหน้าสีตาในทางที่เป็นกุศลแบบที่ทําให้คนฟังเกิดการรับรู้ในทางบวกด้วยเมื่อทําได้กับกรณีหนึ่งก็จะทําได้กับกรณีทั่วไปอื่นๆไม่ต้องมานั่งวิตกแบบไม่มีคำตอบว่าจะช่วยอย่างไรไม่ต้องติดบาปติดกรรมกัน